ปรับปรุงก็เพื่อให้ดำลงอยู่ได้แค่นั้นแค่ยังคู่บ้านแยังมั่สบายอย่างนึงฝนอยู่ในระบบสร่างกายแข็งแรงกับมีโอกาสมี ความู้สึกมัจจุาราชก็มาเยี่ยมถือกันจากของมัจจุราชพญายมบาลเป็นทรงมัจจุราชเป็นทรงพญ า, ายมบาลมาให้ขอมู่นเกื่อน ก็เป็นธรรมดาของสังขารก็ว่าได้สังขารด้านร่างกายอยางสัตว์เิ่นจังวะให้มีส่วนละลึกหนึกอยู่เสมอสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งที่เป็นส่วนของด่านลูกประธรรม นำมาทำทั้งหมดทั้งสิ้ น, น, ม, นมีส่วนบ่มันคงมีส่วนของการเปลี่ยนแปลงกระดึกไหวเป็นส่วนที่เห้าหักห่างบ่ได้แกก็ต้องแก้ไขได้เจ็บไข้ บสบายขึ้นมากกระต่องมีการพยาบาลรักษาจ <c oughs> ิตป่อยปะละเลยถิมโลดกระบดอ <c oughs> อมันมี่วนเพิงผ้าอาศัยสืส่อกันและกัน <c oughs> การพยาบาลกระต่องหูจัก <c oughs> มีความเข้าใจ ยิ่งเห่าดำเนินชีวิตในรูแปแบบธรรมชาติบางทีเกี่ยวกับธรรมชาติบางส่วนมันก็ทำให้เป็นผิดเป็นไยเป็นอันตรายย่มเห็ดออกนี่คือกั น, นระบบเชือ่อรา จะเอาสิหาตามธรรมชาติตามปลาบางเทือเข้าเพรเข้าใจเชื่อล่าบางอย่างมันกะมีสารทำให้เกิดความมู้ซึกเรียกว่าร่างกายบวาสามารถรับได้เอามาขาดความบอกเข้าใจกะกะเม่าตัวเมาก็ทึงตายก็มีตัว แต่ว่าวัวลานเพิ่นเพ่นมีประสบะการณ์เพิ่นจึงแนะนำเขาไปมีส่วนเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตแบบธรรมชาติจะต้องมีความหลุนำอันที่เก็บเหตดกับเ บ, บิงเบิงสภาพสิ่งแวดล้อม ันมีลิงกับเบางลิงลิงกับเป็นส่วนหนึ่งของทัพย์เฉลียงลูก ด, ด้วยน่อมแฮ็ดบางยางมีผิดมีผ่ายลิงเมื่อกินเหมมันกับมีหนังมันจังหูมันก็บของสีมีส่วน เกี่ยวกับระบบประสาทการมีส่วนมันก็เลยบอ่อเกี่ยวของหันนวน่าก็เอาความรู้จากจากสภาพสิ่งแวดล้อมนำการรักษาเมื่อมีเหตุการณ์บ่สบายขึ้นมากมก็ต้องดูแล ก, กัน เมาเฮ็ดเบือเฮ็ดเป็นตั้งผนบางขังบางข้าวคนก็นเอาพวกหัางจืดเปนเอ่ยว่าหัางจืดมันเป็นผืกเทา้าบอกให้มีหรอทางนี้บอมีมันมีส่วนแก่กันได้ก็เอาพวกอืม อังจืดนี่ล่ะมามาดูแลมาละปั๊บสะปะความเมาให้มันมีส่วนเศ้าในยึดกับกันการดูแลกันมันกับมีอานิสงส์ตัวอานิสงส์คือยังคือความเมตตานี่ย มีตาบอ่อปล่อยปะหละเลยเามีส่วนซอยกันมันก็อาศัยซึ่งกันและกันไหนแต่เลือวมีสซยถึงกับปัดผากจากกันก็มีส่วนจัดการให้มันเกิดความเรียบร้อย คือบอ่อปล่อยในลูกแบบเรียกว่าให้มันประเจิดประเจิดชั่วมือมันกะมีประสบะการณ์แล้วก็มีส่วนของการให้ข้อมูลเป็นหลักการไว้ในการดูแลสื่งกละกัน พึ่งัดอาอื่นวบาพึกงคัดเป็นผู้ผูดูแลคนป่วยเ ป, เป็นพยาบาลการพยาบาลกัต่องเบิงอีกได้ เห็นว่าป่วยก็ต้องบึงต้องถามต้องสังเกตถามถึงประวัติความเป็นมาประวัติการเป็นโยผู้มีประเทศอากาศกมีส่วนประกอบเป็นวัดหนึ่งเศษแลเอื่นว่าระบบร่างกาย อันเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินหายใจมันมีฟุนละอองหลาย ม, มันกับมีส่วนบสะดวกหรืออุณหภูมิของโลกมันหล่อนกับหนาวมาปะทับมาปะทะกันหลากกายที่เป็นเป็นส่วนเกี่ยวข้องปรับตัวบ่ท่าน เรียกว่ามันขาดภูมิคุ้มกันมันกามีอุณอหภูมิร่างกายสูงสมมุติเขามีเครื่องวัดแต่มาเอามานำามานั่มามาสังเกตไปนําแต่ละมือแต่ละวันว่าอุณอหภูมิร่างกาย ความดันซํำใดความดันมันมีตัวบนตัวล่างตัวบนตามปกติมันก็ลอยยี่สบตัวลาตามปกติมันก็แปดสบงสี่มันมี่วนความดันมันสูงถึงลอย 60สิอยมันอาจจะมีส่วนบอปกติของร่างกายบางเื้อมันจะเกี่ยวกับบางบางส่วนที่มันมีอยู่ในร่างกายบอปกติเช่นพวกไขมันเกิน ไขมันต่ำหรือน้ำตาลหนึงนง่งเสียแหละทำน้ำตาลมันสูงมันก็บรรทัดปกติได้ต่ำไปก็บกับบอได้อีกพอหลางกายมันก็ต้องมีมีน้ำตาลมีไขมันมีวิตามิน ตากแดดเป็นยังคนทั้งนี้จึงมักตากแดดกันมีแสงแดดออกมามักมีส่วนนำลูกเตองลาวลานออกมาอะเล่นม่มาตากม่าพึ่งแดดตากแดดพอช่างแสงแดดมันสางให้ร่างกายได้เอาเอื่นว่าวิตามิน มันสงเคาะอันเป็นส่วนกับแสงแดดอันสินล่างกายได้วิตามินมันก็แข็งแรงวิตามินเอ <c oughs> อาซาเขานี่ก็ต้องหูงจากได้แต่พวกเกลือแร่ทังสี่คือกัน เกลือแรกกับพวกนี้แหละอ่าพวกกลุ่มที่เ้าเอิ่นว่าเกลือเกลือทะเลเกลือชิ้นเท่าเกืออันนี้มันซอยนีซ อ, อยให้ความหูซึ้บของเ้าหนัอยมีสวนอ่ากับปีกกับเปลาแต่มันเกินไปกับว่าได้ไหม แต่มันเข้มจัดเกินไปมันกลับไปแพร่ไปแพร่ระบบไตระบบตับค้นห้าทุกคนกับมีไตมีตับตับกับมีซซองประเภทประเภทตับประเภทพลังงานปกติเป็นอย่างสั่นประเภทตับ ตับประเภทหนึ่งประเภทปับ๊บปับน้ำตาลในร่างกายร่างกายที่ว่าตับมันปับหนันเอ้าก็ต๊อกหุ่จักมันตับขื่นตับอ่อนตับมันพิดกลุ่มที่มีส่วนปับน้ำตาล อินซูลินเราไฮคอโมนกันอย่างสัมันพิษอินซูลินมาปรับน้ำตาลในร่างกายให้ลดอยู่ในสภาพปกติได้เพราะน่าถ้ามีน้ำตาลส่วนเกิน ม, มันก็มีแนวลักช้าอยู่ดอกหวังชิงบวังยาง บางสิ่งวางยางก็จะเอามาจากพืชเลยแหละถั่วอ่น อ, อนมันบ อ, อมันบอมีความหมูซึกพร้อมเอากอะหาอาผั่งพืชมาเสริมปกติค่ะทางผุนผึนก็นใส่อันนะไรได้ ใส่หยอดบังยงบังหยอดบังยงอ่อนมาจีบจีบน้ำพริกก็ได้ยำเลนๆไปก็ได้มันก็ซอยโยูกิร์กันวางยางก็เกี่ยวกับความดันนี่ก็เอากระใส่ใส่เดก็ได้ เฮ็ดสามยางที่มันกินได้เฮ็ดกินได้ได้เฮ็ดสามยางแล้วก็มีหมักท่านมักพุช่าเขาเอิญหมักพุช่าทั้งหมดมาต้มกินน้ำแท่นน้ำชามันก็ซอยได้อยู่ ห้าวโหจักบำบัดลุ่งรักษากบพเป็นภาระบอเป็นภาระกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง <c oughs> ที่เทาเอิดว่าผู้ทำหน้าที่ในแบบคองการศึกษาเรื่องสรีราศาสตร์ระบบหลังกาย อมแมนพระภูเจ้าผนซ้อนแต่เหลองบุญเหลืองบาปได้ผืนซ้อนเหลองการดูแลคือการจังหวะนเาเหล่องเพศชัดไหวเหลองอาหารไหวอาหารร่างกายมันก็ต้องมีส่วนเกี่ยวขอ้องอาหารหายางผืนว มันก็นมากจากนี่แหละคุมคุมพลังงานคุมโปรตีนคุมไขมันคุมมิตเตมนอาหารหายางเผินห้ขอมมอนไวเป็นลักพวกท่านยาพืชเป็นอื่นว่าเขาสุก นมซอสนีส่พวกน้ําตาลแล้วกระบอกไปถึงพวกโปรตีนโปรตีนจากจากสั์จากปูจากปลาจากพืชกระมี ก็ให้มีส่วนเข้าใจแล้วก็มีส่วนเกี่ยวของอย่างหล อ, อบบกคอมันกัดจังบอเป็นอุปสรรคหือว่านตะมาถามว่าคนตั้งนี้ก็เจ้าจอาอยุหลายเป็นไหนถามตัวแล้วก็ระบบการเจ็บไข่ไ้กปวยมาในลูกแปลได้แน่ ท้ามเมืองคือกันนะกาวาสันกชิบหูจากแต่หน้าท้ามกับพ่อเจหูกันอายุเปรียบว่าตามอายุไขของของมนุษย์ของสัตว์ประเภทนี้กันยังหน่อยก็แปดสิบ ไปหาลอยเชา่าต่ว่าลอยเชา่าในโมนีหรอกง่ากแต่แปดสิบก็ยัยงยากยากข้านอยู่เลยเราก็ต้องถามเมืองละก็เพราะอันยังก็อยากหูอจากว่า ระบบการเป็นอยู่ของเขาเป็นอย่างไรอยางสี่นะมีส่วนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนอย่างไรนจางสี่กับพ่อสิยหูจักได้อังวันนี้มันกะขืนิยกกัเฮาภูไฟต่อการเรลี้ยงลูกเพื่อมมันเกิดมีส่วนยิบยืน กับผู้สี่ท่านนาทีต่อไปใชนะ่เนี่ยเห็นว่าบอ่อปกติคำถามเบิองว่าเพราะเหตุใดอัตมามาเนี่ยอัตมา ก, ก็เอาข้อองค์ประกอบข้องการดูแล ร, รักษามากขึ้นกันเลยโมเมนตยานตายดอกมันก็นเป็นธรรมดาอยู่ พอเข้าไปต่างพื้นที่พื้นที่บคุณเคยบางเทืา อ, อาหารเ ว, ว่าบุณเคยมันก็อาจจะเกิดความหูซึกอึดอัดขัดของก็ต้องถือป้องกันมานำ้ำระบบทางเดินอาหารอย่างที่และ กันไปอินเดียนี่มากสิเป็นตัวมันอากาศช่วงอากาศฮอนระบบครับทายระบอาหารเก็บไว้ขางขึ้นมันมีส่วนให้เกิดความหูซึกในทางมีโทษ อาหารเพิ่นให้เก็บแค่์เสาโซ่เทียงในสมัยโบราณแต่ว่าสูมื่เพิ่นมีตู้เย็นเพิ่นวางซะ <c oughs> ตู้เย็นก็บโเป็นตะกินเนาะไปโปรตุเกสเพิ่นว่ามือนี่ถวายอาหารประเภทเหนือป่าโอ้ยเก็บไว้แจักจักเท่าใดเดือน เห็นมันกะมีห <poured worlds> ูจ <travaille> ักวาโอ้คนเก็บไว้โดนพอดตาเกตแบบให้มันเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ก็ได้แน่นโยเครื่องทร้างผึนเขาเอื่นว่าเห็ดประดกปลาล่า แดกปลาล่ามันเป็นส่วนสาจุลินทรีย์เป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มผู้ปาเผื่อว่ากลุ่มผู้ผลิตพอหลกเข้าวแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มผู้ผลิตนี่นะ คือก้าเอาวัตถุบางอย่างมาว่างไวนน้นั่นๆเกีว่างไว้ผ่านการเวลาไปมันจีแปรสภาพเอาอื่นว่ามันเปลี่ยนแปลงแค่ก้อนหินว่างนีงส่ส่คือกันนี่ก้อนหินแถวๆนี้ก็เห็นอยู่ตัมันเกิดความชื้นแสงแดดแน่ความเย็นแน่ มันกับแปรสภาพเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ขึ้นมาเป็นมอดเป็นยังเขาอื่นวนนะเมื่อเป็นมอดมอดประเภทละเอียดละมาา ป, ประเภทหยาบต่อมาม ก, ก็เป็นระบบพืชยืนต้นขึ้นสี่ไหมันค่อยๆเปลี่ยนสภาพเป็นมังซีนีเอื่อนเอิ่อนวากลุ่มอันเป็นส่วนหนึ่งของผู้ผลิต กลุ่มหนึ่งกับผู้บริโภคกคือข้นคือซัด <c oughs> มาเห็นกับมีส่วนประกอบนำมามาบริโภคมาทําให้ดำล่องอยู่ได้กะอยู่กับเฮามีส่วนต้องศึกษาเบิง อังนี้เหมืนกับแ ก, ก็บไวน้นานคือกันนะ่ยเหมือนแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมืนมีส่วนหาข้อมูลบางเถ้อผลละใหม่สมัยก่อนมามีตู้เย็นเลยแต่ว่าอาศัย อ, อาศัยเห็ดเห็ดทำในดินเห็ดอูมองในดิน เมื่อใดผลำใหม่มากหรือพักมากก็เอาไปเก็บไว้เมกกื่อใดใช้เวลาเอามาจากยังมีหูจากยังหูจากจากกระห อ, อกกระแตกอันตรายไปสังเกตเมื่อกระห อ, อกกระแตกที่เขลือ่อนอันดาก่อนหิมาสีม่านี่มันจะขนขนนั่นขนหมากใหม่ ลงไปสะสมใหม่อมพ อ, อยี่มาเมื่อสามชีเดือนมันเราต้องออกมาเลยจะ ม, มีส่วนเกี่ยวของกับการเป็นอยู่ในรูปแบบใต้พื้นดินอยู่ในดินข้อเน่าขึ้นกันไปเห็นอยู่เยอรมันอูโมขงขึ้นขบอนเก็บ เงิน่าบอนเก็บอาหารสมัยก่อนเป็นความโลภคือกันเดยอาจารย์มันก็มาได้ความโลอแต่ว่าสูมือพันมีตูเย็นแท้นี้พนมีนำแข้ง <ừ. S 1> การรักษาได้ก็เบิ้งคือกันะบางเทอนำแข้งมันก็มีส่วนเสีย ตัวเย็นมีส่วนเสียดคือกันสิบบ่ให้เสียเลยกับบ่อใดเก็บใดระยะหนึ่งก็ต้องมีการโลออกแต่บ่โลออกเลยกัมันก็มีส่วนบอ่อบ่อดีแค่ห่อง่าหนิละห่อง่าความมีค ว, วามอบอุ่นมานาวนนิ อาชีวะเปิดให้มีการทายเท่เลยมันก็นอาจจะมีผลกระทบทางอื่นคือกันมันต้องมีการทายเท่ออกอืมอย่าคือกันกำลังกายฮะมันมีส่วนของการทำนาทีในรูปแบบทายเท่มันก็นทําให้ปกติได้ ก็เป็นชวนภายนอกนะวะการมีส่วนของการเป็นโยกหูจักเรียนลูประกอบไปนั่นเอาสีมาจากสถานที่ใดคนแต่ละนี่นนนก็ต้องหูจักแต่ละซ้อนแต่ละอุณหภูมิของพื้นที่แตกต่างกันไป ต้องดูไห้ลวงหนาก็ดีเพื่อสีบอดได้เกิดเคินบอดได้เกิดความมู้ซึกในทางมีอุปสรรคก็ดีตัวก <c oughs> ูว่าไปห้าห ม, มอเป็นยังไงบ่ไนี้ผู้ให้ข่าว คนถวายข้าวต้มกับเกลือไปแล้วก็พาหลวงพ่ อ, อมหมอยังไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรชัดเจนแค่ให้ดูอาการแล้วพวกนี้อาจจะต้องพาไปหาหมออีกรอบแบบพลาดไม่ดีขึ้นก็ค่ะอืมปกติข้าราต้องดูอาการสะก้อนแหละดูอาการว่ามันมีส่วนเกี่ยวกับเอียงแน่ หลังเท้ามันเกี่ยวกับบรรยากาศเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับพื้นที่อตาีมาไปบาดเสี้ยกรยั่งเป็นอะไรหนังอักเสผิวหนังอักเสแต่มันอยู่ทัางหลังพี่เราก็เบิ้งปวไ บ่งเพียกับเบิ่งได้เพียงแต่หูจักว่ามันไม่ยังเท่านั้นก็ะเลบเบิ่งหาเพื่อนว่าโอ้มาแล้งมันกัดมาแลงมันกัดเลยมันก็เกิดการนักเสพมันกับเป็นฝีบ้านห้าเอินว่ามันเป็นฝีเป็นฝีเป็นหนอง ก็เอาน้องออกให้แล้วก็ให้ให้ยายาซอยในระบบของการแก้อักเสบก็ปรับตัวได้ก็มันก็ต้องเบื้องเย็งสั่น ทางพุ่คือกันขันเกิดเป็นไข่อุณหภูมิร่างกายสูงเหมืองเธอมันก็เป็นระบบหลากศาสตไข่หลากศาสตมันกะมาแล่งตัวแรงเนี้มันกันนนนกดผิดมันกะมีส่วนให้ร่างกายก็เงาบมปกติได แต่ต่องหูวิธีรักษาันเธอโย่งนี่สิแหละแต่มาเคยมีชวนเป็นอย่างสัน้นเป็นไข่ปลาไข่มา เ, เลี่ยเลี่ยล้านเงืเอินว่าไครผีผู้กินผู้จังสัน้นอ้ามัน มีอาการมันหนาวมันสันกะ <c oughs> สีวามันมันก็มีส่วนเกี่ยวกับระบบเลือดมีสิ่งที่มันมีพิษมีไผ่เข้าไปมันก็เลยมีอาการ ประเภทที่มันมารุนแรงแต่ว่ามันก็ถึงเวลามันก็หายไปเองประเภทมันรุนแรงมันก็ถึงกับตายบางทีมัน เ, นเกี่ยวกับมันขึ้นระบบประสาทสมองมันเพิ่จะเป็นไปได้ตัว อ๋อแล้ให้พอดนะื้อให้ไตยะท่าวณิวางอาปูดาปนิพเรเติสการังเอวาเมวยโตทินังเปตานังอุปาคัมภ์ปติ สิตตังมะนิตังตุมังคิปามวัชามิสันโตสัพเบเลนตสังบจโทปนราโตยะธามณิจโตตินาโยะาสัพพีติโยวิวัชันโต